มาเรียทำหน้าที่ตอบแทนมาเช่นเดิมลาวรินหันมาค้นเป้หลังของหล่อนอย่างรีบร้อนคว้าผ้าก๊อซม้วนหนึ่งออกมาส่งให้เพื่อนสาวต่างผิวซึ่งทำหน้าที่เป็นพยาบาลอยู่ในขณะ น, นี้มาเรียรับไปขมวดชายให้เป็นปลายเรียวแหลมปิ้นเปลือกตาด้านล่างของพานใหญ่ทางออกแล้วใช้มือแผว เ, เบาๆค่อยๆบรรจงเคลียร์เศษหินที่ติดอยู่ในเปลือกตาล่างออกโดยมีเชี่ากับชา ย, ยันคอยช่วยกันให้ความร่วมมืออึดใจเดียวหล่อนก็เป่าลมออกจากปากออกหมดแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้าง รับผินไม่ตอบคําถามของหล่อนนั่งก้มหน้าเอาฝ่ามือกดเปลือกตาไว้ตากก็ถามว่าอยู่หรือเปล่าครับไอ้เสือตัวนั้นผมได้ยินเสียงพวกเรายิงกันหูดับอยู่อะไรกันเล่ามันคาบไอ้ผีตายสร้างเพ่นหายไปแล้วยิงกันไม่ถูกเลยเพราะก้อนหินมันสลับซับซ้อนไปหมดไม่ต้องไปกังวล ถ, ถามถึงไอ้เสือหรือไอมัมมี่นั่นหรอกถึงยังไงพวกเราก็ฟาวอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าแต่คุณเถอะตาเป็นยังไงบ้าง ใช้ถากับชายยันพูดเร็วปื้มาด้วยความเป็นห่วงเหลือที่จะกล่าวขณะนั้นพวกพานพื้นเมืองก็พากันวิ่งตามเข้ามาถึงและเห็นเหตุการณ์นั้นพากันลายล้อมมุงดูแทบจะลืมเรื่องเสือกับศพตายซากที่สูญหายไปต่อหน้าต่อตาชั่วขณะพูดถามเสียงแซดรัฐพิมค่อ ย, ค, อยค่อยกระพริบตาลืมขึ้นกรอกตาไปมามาเรียก็ส่งผ้าก๊อซไปให้ซับอึดใจใหญ่ต่อมาเขาก็พอจะลืมได้สว่างแต่ก็ต้องกระพริบตาบ่อยๆเพราะยังเคืองตายอยู่ฝืนยิ้มออกมา คงไม่เป็นไรหรอกครับรู้สึกข้อ ย, ยังชั่วขึ้นมากแล้วแสบๆสบเคืองๆ อ, อยู่บ้างนิดหน่อยเท่านั้นประเดี๋ยวคงหายแล้วเขาก็หันกล่าวไปขอบคุณมาเรียฉันเสียใจเหลือเกินที่เป็นต้นเหตุทำให้คุณต้องเจ็บตัวดารินสุดตัวนั่งลงคุกเข่าลงตรงหน้ากล่าวขึ้นแผ่วเบา แล้วก็ไม่รู้ตัวเลยเพิ่งจะมาเห็นเอาเดี๋ยวนี้ตอนนั้นมันชุลมุนไปหมดแล้พินยิ้มให้ทังทงที่ยังเอามือกดผ้ากอซปิดตาอยู่โถคุณหญิงครับมันเป็นเรื่องอุปถัมภเหตุแท้แล้วก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินโปรดอย่า ก, กังวลไปเลยบอกแล้วว่าไปเดี๋ยวผมก็หาย ก็โมแต่นั่งเฉยอยู่ทำไมทำไมถึงไม่ตรวจตาให้เขาไม่รู้แก้วตาแตกไปหรือเปล่ายอดชายในพานของเราดันตาบอดไปแล้วก็สวัสดีแดยันกันอยู่ในป่ามรณะนี่เองไม่ต้องมีปัญญาไปไหนอีกแล้วชายยันบอกออกมาด้วยเสียงคุน หมอดารินไม่มีปากเสียงคำใดทั้งสิ้นในคำดุนั้นเพราะกำลังตกใจขยับตัวเข้ามาใกล้พึมพํคำขอตรวจอาการของเขาระพินยื่นหน้าไปให้โดยดีราชาสกุลสาวเปิดเปือกตาของเขาขึ้นอย่างระมัดระวังทั้งด้านล่างและบนปากก็บอกให้เขาทดลองลืมตาขึ้นและกรอกรูกในตาแล้วสีหน้าของหญิงสาวก็ดีขึ้นยิ้มออกมาได้ ก็คงไม่เป็นไรมากนักหรอกเศษหินเข้าไปบาดเยื่อขอบตาด้านล่างเลือดออกนิดหน่อยเท่านั้นแต่ผงฝุ่นที่ปิวเข้าตาครั้งแรกทำให้แสบมากลืมตาไม่ขึ้นนอนหลับตานิ่งๆสักสักครู่อาการจะดีขึ้นเองโล่งอกไปทีเชษฐาถอนใจรู้สึกเบาใจขึ้น ยังสงสัยแต่แรกว่าตอนที่พวกเราไล่กวดยิงไอ้มหาวัยร้ายนั่นรัฐพินหายไปทางด้านไหนเพราะเห็นแล่นนําหน้าออกมาก่อนนี่เห็นมัวจะยืนเป็นไก่ตาแตกอยู่ตรงนี้ละสิเว้นแท้มันต้องให้มีเหตุให้เป็นไปทําให้รัฐพินต้องเสียโอกาสกับไอ้เสือวัยร้ายนั่นทุกทีดูเอาเถอะลูกปืนของน้อยทําให้รัฐพินต้องตาปิดไปในวินาทีเข้าได้เข้าเข็มที่สุดไม่รู้จะโทษอะไรนอกจากจะคิดว่ายังไงไม่ถึงคราวที่เราจะเอาชนะมันได้ชายยันสบดพลูสาบแช่งต่อเหตุการณ์ ตลอดเวลาอึดใจใหญ่ๆจอมพานยังนั่งกลุ่มตานิ่งอยู่เช่นนั้นเสียงพักพวกพูดกันแซดรอบตัวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเต็มไปด้วยความขัดเคืองผิดหวังที่ไอเสือร้ายโดดเข้ามาคาบศพตายซ่าอันเป็นตัวปิศนาพาหนีไปได้ซึ่งซึ่งหน้าอย่างปฏิหารที่สุดโดยไม่มีใครสามารถจะสกัดกั้นหรือหยุดยั้งมันไว้ได้ทันบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเร้าร้อนใจและ ง, งุนงงกันไปหมดแทบไม่เชื่อสายตาในสิ่งที่เกิดขึ้น พวกพานพื้นเมืองทั้งสี่ของละพินพากันเข้ามานั่งยองๆลายร้อมเจ้านายซึ่งปิดหน้าอยู่ในขณะนี้รุมซักถามอย่างเป็นห่วงแต่ละพินโบกมือบอกกับคนเหล่านั้นไม่ให้วิตกกังวลกับอาการของเขาต่อมาจึงค่อยๆลืมตาขึ้นอีกครั้งทุกคนสังเกตเห็นดวงตาข้างขวาของเขาแดงกลำ่ำมีน้ำตาไหลซึมออกมาตลอดเวลา ภายวานันนอนพักซะก่อนเถอะมาเรียบอกมาอย่างเป็นห่วงน้ำเสียงอ่อนโยนเอื้อมมือมาแตะไหล่เขาเชิดากับชา ย, ยันก็ช่วยกันขอร้องมาอีกแต่จอมพานสัน่ศรีษะยิ้มให้กับทุกคนไม่เป็นไรหรอกครับหายแสบแล้วถึงเราไม่มีใครยิงมันถูกเลยเหรอเจ็บไปบ้างไหมเขาถามอย่างเป็นห่วงต่อเหตุการณ์โดยไม่คำนึงถึงตัวเองเชิถายิ้มแแค่นถอนใจพร้อมกับสายนา ผมเชื่อว่ามันไม่ถูกลูกปืนเลยสักนิดเพราะภูมิประเทศอํานวยให้มันมากเหลือเกินเราเห็นมันได้เพียงแวบๆขณะที่มันกระโจนหลบไปตามก้อนหินที่ขึ้นอยู่สลับซับซ้อนเท่านั้นและที่เราดมยิงกันออกไปก็เป็นการสุ่มยิงไ ป, ไปตามเรื่องอดแปลกใจไม่ได้อยู่เดี๋ยวนี้ว่าทำไมมันถึงได้โอกาสแคล้วคลาดลูกปืนของเราไปได้ทุกครั้งทั้งๆ ท, ที่มันก็พัวพันเข้ามาใกล้ชิดพวกเราตลอดเวลาอีกอย่างหนึง่งเราไต่ก้อนหินไล่มันไม่ทันประเดี๋ยวประเดี๋ยวก็บังมุมซะแล้วไม่มีใครได้เป้าเหมาะเลย น้อยเป็นคนแรกที่มีโอกาสลั่นกระสุนขึ้นแต่ก็ยังช้ากว่ามันอยู่ดีน้อยยิงออกไปขณะที่มันเพ่นขึ้นไปบนยอดหินแล้วมีหนำซ้ำเจ้ากรรมกระสุนของน้อยยังทำให้เศษหินกระเด็นเข้าตาคุณสะอีก ผมทะเลอ้อถ้าล่าแหล่นสวนออกไปพอดีครับเศษหินก็เลยกระจายใส่หน้าเต็มเปาโลกมืดไปหมดตอนนั้นพวกเราไม่ยิงพลาดถูกกันเองก็นับว่าบุญที่สุดแล้วเพราะมันชุลมุนไปหมดก็น่าจะจริงอย่างที่คุณชายว่าคือยังไม่มีโอกาสที่เราจะพิชิตมันลงได้จึงบันดาลให้เกิดเหตุขลุกขคลักเช่นนี้มาตลอด ไอเหตุการณ์ขุกนคักแต่ละครั้งก็ล้วนเป็นการล็อกตัวคุณไว้ไม่ให้ทําอะไรได้ถนัดทุกทีไปเหมือนจะมีอาถรรพ์อะไรอย่างงั้นแหละดูเอาเถอะกี่ครั้งมาแล้วบ้างชา ย, ยันเสริมมาอย่างหัวฟัดหัวเวียงสะบดดายอยู่ไม่ขาดตาทุกคนก็คุ้นคิดชงน์ชะงายกันไปหมดในอุบัติการที่เกิดขึ้นจริงอย่างว่าในวินาทีสําคัญที่สุดต่อการรวมรันขับเขี้ยวไอ้การยักจอมพานต้องมีเหตุให้เป็นไปเขาปฏิบัติสิ่งใดลงไปไม่ถนัดทุกครั้งถึงแม้จะเกิดขึ้นในรูปบาง อ่นรู้อุปัตตว่เหตุก็ตามและที่สําคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือไอ้ผีตายซากซึ่งเห็นแล้วว่าตกอยู่ในกํามือชนิดที่ไม่มีทางกะดิกแต่แล้วมันก็มีปาฏิหาริย์หนีหายไปได้ซึ่งซึ่งหน้าโดยมีเสือโครงดําตัวนั้นเป็นพาหนะในการนำหนีก่อนหน้าที่ซากของมันจะถูกทําลายเพียงนิดเดียวซึ่งบัดนี้ก็เห็นกันอย่างชัดๆแล้วว่ามันมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไอ้โครงดําตัวนั้นแน่นอนเพียงแต่จะค้นออกมาได้ว่ามันเกี่ยวข้องกันในทางไหนเท่านั้น สำหรับดารินทรวราลิตหล่อนมีอะไรแปลกๆอย่างที่ทุกคนคาดคิดไม่ถึงประจำตัวบางขณะหล่อนเป็นคนเชื่องช้าที่สุดเพอาะมัวตกตะลึงแต่บางขณะก็ฉับไวรวดเร็วที่สุดเหมือนกันและรวดเร็วเหนือกว่าทุกคนด้วยซ้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการระเบิดกระสุนนัดปฐมฤกษ์ บัดนี้หญิงสาวนั่งตัวสั่นเทาไม่สามารถเ อ, อ่ยคำพูดใดออกมาได้เมื่อคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับไอ้ผีตายซากตัวนั้นใครจะเชื่อว่ามันจะหลุดลอดเงื้อมือไปได้แบบอัศจรรย์ที่สุดทั้งที่เห็นชัดแล้วว่าไม่มีทางมันรู้ว่าเรากำลังจะทำลายซากอันเป็นโครงมนุษย์ของมันร่างของเสือก็มาขัดขวางข้าพาหนีไปบุญคำพูดขึ้นด้วยเสียงแหบลึก หน้าของแกเกรียมดำราวกับก้อนหินที่ถูกแดดเผาในขณะนี้และคำพูดประโยคนั้นทำให้ทั้งหมดเย็นไปทุกขุมขนแม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวเพียงใดก็ตามระหว่างที่ต่างนิ่งชัยยันสกิดเข่าเชิดทากระซิบว่าฉันคิดว่าตลอดเวลามาเกี่ยวกับเสือและไอผีตายซากตัวนั้นมีบุญคำเข้าใจได้ถูกต้องอยู่คนเดียวและในครั้งนี้ก็เป็นการพิสูจน์ในคาพูดของแกอย่างเด่นชัดแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องการให้เห็นชัดกับตาที่สุดหัวหน้าคณะกล่าวด้วยความรู้สึกอันมั่นคงเต็มไปด้วยสติและกำลังใจอันเป็นคุณลักษณะที่ดีของเขาอะไรเราต้องการเห็นเสือตัวนั้นแปลสภาพจากร่างของสัตว์มีชีวิตกลายไปเป็นหินอย่างคาหนังคาเขาเท่าๆกับที่เราอยากเห็นศพตายซ่าพันปีค่อยๆเคลื่อนไหวขึ้นมาได้จากอาการแข็งทื่อเป็นท่อนไม้ของมันพฤติการที่ปรากฏมาแล้วแม้มีอะไรโน้มเอียงให้หน่าเชื่อถือได้เช่นนั้นถึงเก้าสิเปอร์เซ็นก็ตาม แต่มันก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ซ่อนเงื่อนลี้ลับบางเหลี่ยมบางมุมกันอยู่ทําไมสมมุติว่าถ้ามันถอดวิญญาณกลับไปกลับมาได้ในระหว่างซากเสือกับซากคนตอนที่เราปล่อยให้มันนอนตากแดดอยู่และกําลังไปหาฟืนมาเตรียมเผามันจึงไม่ทิ้งร่างเสือซึ่งขณะนั้นนําไปหลบซุ่มอยู่ที่ไหนโดยที่เราไม่เห็นเราเข้ามาสิงร่างคนลุกขึ้นวิ่งหนีเราไปซะมันก็โง่งเท่านั้นสิถ้าทำอย่างนั้นชายยันร้องร่นออกมาในการถกเถียงตีปัญหากับสหายของเขา พวกเราล้อมซากมันไว้หมดทุกด้านคืนกระดิกกระเดี้ยมมีชีวิตขึ้นมาถ้าไม่ถูกบอมแหลกไปก็มีหวังพลุนไปด้วยลูกปืนร่างกายของมนุษย์ย่อมจะมีพลังกาลังน้อยกว่าร่างเสือชนิดเทียบกันไม่ได้มันจึงใช้ร่างเสือกระโจนลงมาแย่งซากไปต่อหน้าต่อตาเพราะเห็นว่าซากคนจวนเจียนเต็มทีแล้วก็เลยพาเผ่นนี้หายดีกว่าที่มันจะคืนวิญญาณกลับเข้าซากคนแล้วลุกขึ้นวิ่งหนีเรา ซึ่งเสียเปรียบกว่าทุกประตูและไม่มีทางที่จะหนีพ้นได้แต่ฉันกล้าสาบานได้ว่าถ้าเราคอยหลังไม่ได้นั่งจับตาเฝ้ากันอยู่มันจะดอดลุกขึ้นมาเดินหนีเราทําทีอย่างที่มันเคยวิ่งหนีเรามาแล้วเมื่อตอนที่แอ่งน้ําครั้งนั้นว่ายังไงน้อยมันควรจะเป็นอย่างที่ฉันว่านี่หรือเปล่าประโยคหลังอดีตนายทหารปืนใหญ่หันไปขอความเห็นหมอดารินราชสกุลสาวสันหน้าโดยเร็วยกมือทั้งสองขึ้นขยี้ขมัดตัวเองหลับตาลง ฉันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกหรอกรู้อย่างเดียวว่าถ้าเรายังไปเชิญกับเหตุการณ์บ้าบอคอแตกชนิดนี้ต่อไปอีกฉันคงเสียสติไปก่อนทุกคนความจริงฉันไม่เคยพ่านพึงกับเหตุการณ์ที่อุตลิป ธ, ธรรมชาติวิทยาอย่างเช่นนี้มาก่อนและถ้าได้ยินได้ฟังจากใครก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องชวนหัวแต่เดี๋ยวนี้ยอมรับว่ากําลังจะบ้าขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมีมาเรียคนเดียวเท่านั้นที่นั่งหัวเราะจนใครๆสังเกตหันไปมองชายยันถามว่ามีอะไรขันหรอ ก็ไม <S an> ่จะขันได้ยังไงล่ะอะไรต่ออะไรมันมหัศจรรย์แปลกประหลาดซะจนน้าขันไปหมดพวกเราพากันตกอยู่ในโลกพิศวงที่หาคําตอบไม่ได้แล้วก็อักหลักวิชาที่เราคิดว่าเจริญสูงสุดแล้วของเราเข้ามาเป็นบรรทัดฐานเพื่อวิเคราะห์หาิ QED น่าเสียดายเหลือเกินที่ภัยวันกับพี่ใหญ่ใจเย็นประมากไปหน่อยถ้าไม่งั้นก่อนที่เราจะเสียเวลาหาฟืนมาเผาซากของมันให้คุณทดลองเอากระสุนขนาด900เกรนแรงปะทะหก0 0นกว่าฟุตบอลผ่ากะโหลกของมันดูเราอาจได้เห็นปรากฏการณ์ แปลกๆอะไรเกิดขึ้นก็ได้ถึงว่าเสีเราเสียโอกาสนั้นไปสระชายันร้องเหว่งกำปั้นลงกับเขาตัวเองผมคาดไม่ถึงเลยจริงๆว่ามันจะหนีเราไปได้โดยวิธีนั้นรพินสารภาพ ไม่งั้นมัดไว้ก่อนก็ดีหรือไม่ฉะนั้นแทนที่จะให้พวกนั้นมัวไปหาฟืนอยู่ให้เสียเวลายอมเสียไดายนาไมซ์สักลูกยัดตูมเข้าไปซากของมันก็คงแหลกเป็นผงไปแล้วผมเองก็นึกบนบานท้าทายมันอยู่ในใจเหมือนกันว่าถ้ามันมีฤทธิ์จริงขอให้มันลุกขึ้นมาให้เห็นหน่อยเถิดไม่คิดว่าไอ้เสือตัวนั้นจะกลายมาเป็นพาหะนำซากของมันหนีแต่ไม่เป็นไรหรอกครับ มันยิ่งสัมแดงอะไรต่อให้เราเห็นเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่ก็เท่ากับเป็นการเตือนให้เรารอบคอบระวังระวังเพิ่มขึ้นเพียงเท่านั้นและเท่ากับให้เรารู้ชั้นเชิงของมันขึ้นตามลําดับสําหรับการเตรียมมือข่าวหน้าแน่ใจหรือว่าข่าวหน้ามันจะมีสําหรับเราอีกโดยที่ชั้นคุณหรือพวกเราคนใดคนหนึ่งมีอาการครบ32อยู่รวมเห็นหน้ากันครบเช่นนี้เสียงแผ่วเบาของดาวรินถามมา นั่นเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับสมองฝีมือสติสัมปชัญญะและใจสู้ของพวกเราทุกคนไม่ใช่การวิงวอนภาวนาของให้สิ่งใดมาช่วยได้พี่ชายอันเป็นผู้นำของคณะเดินทางทั้งหมดตอบแทนให้แก่พลานนำทางแล้วมาหัวเราะออกห้าห้ายัางไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ชายยันก็ประกาศกล้องเอาล่ะ ฟาดกับมันต่อไปคราวนี้เป็นโชคของมันนีหลุดรอดไปได้ก็แล้วไปก็อยากให้เจออีกแล้วกันพ่อบ้าเลือดแล้วน้อยอย่าเสียขวัญยิงไวอย่างตะกี้นะ่ะใช้ได้แล้วแต่คราวหลังอย่ายิงให้ก้อนหินกระเด็นใส่ตาพานใหญ่ของเราอีกถ้าเขาไม่ตาบอดไปซะชั่วขณะอาจจะรู้ดีรู้ชั่วกันไปแล้วดาวรินยิ้มจเจริญชำองมองดูจอมพานผู้นั่งตาแดงบวมอยู่ รับรองว่าไม่ยิงให้อะไรกระเด็นเข้าหน้าอีกหรอกแต่อาจจะยิงพลาดเข้าหูซ้ายทะลุออกหูขวาไปเลยก็ได้ระยะนี้ไม่รู้เป็นยังไงยิงตืนใช้ไม่ได้เลยมือไม้สั่นไปหมดนานแล้วที่รพินภัยวันไม่ได้ยินคําแขวชนิดนี้เมื่อมาได้ยินอีกครั้งมันก็เสมือนจะเป็นโอสถจะรุมใจได้ดีเยี่ยมเหมือนกันจะผิดกันไปบ้างก็เพียงแต่ประโยคถ้อยคํามันแขวก็จริงแต่หางเสียงกระแสะความเจือไปด้วยการสับพยอกผูกมิตร ทุกคนรวมทั้งหมอดารินมีความเห็นว่าควรจะให้เขานอนพักต่อไปเกี่ยวกับอาการอักเสบที่ตาแต่พานใหญ่ไม่ยอมให้การบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆของเขามาทำให้การเดินทางต้องล่าลงไป เรายอมให้ถึงเวลาข้ามบนนี้ไม่ได้ชยภูมิไม่เหมาะนั่นคือเหตุผลในการเร่งออกเดินทางต่อของเขาถ้าจาเป็นต้องนอนกันในระหว่างป่าหินที่แวดล้อมรอบด้านไปหมดเช่นนี้แล้วก็เราจะลำบากเพราะที่กำบังมากมันย่องเข้ามาถึงตัวเมื่อไหร่จะไม่มีโอกาสรับมือทันได้เลยต้องหาที่โล่งเข้าไว้ดังนั้นข บ, บวนทั้งหมดจึงกลักกรามฝ่าเปรวแดดยามบ่ายต่อไปอย่างทรหดภายหลังที่มีโอกาสได้พักเงาร่มช่วงคณะเวลาหนึง่งไม่นานนัก ร่องรอยของไอ้ผีกองกอยก็นำตัดล่เขาลงทางด้านใต้แลเห็นทุ่งแฝกและหญ้าคาสลับไปกับเต็งกรอบเกรียมตามซากด้วยความแห้งแล้งและเปลวอันร้อนแรงของตะวันซึ่งปัสจากฝนมานับแรมเดือนยิ่งต่ำลงไปเท่าใดก็เหมือนถูกล้อมรอบอยู่ด้วยป่าแดงแห้งกรนไหนจะไอร้อนจ้าที่แดดแผดเผาลงมาจากเบื้องบนไหนจะไอระอุที่ระเหยอบขึ้นมาจากพื้นเรากับเดินผ่านไปในเตาอบมหายักษ ทะเลทรายซารามันจะร้อนอย่างนี้หรือเปล่าโว้ยชายยันแหกปากออกมาอย่างเหลืออดเป่าลมออกจากปากตลอดเวลาทะเลทรายยังมีโอเอซิสแต่นรกแฝกที่แวดล้อมเราอยู่นี่พนันได้ว่าจะหาหนองน้ําไม่พบเลยเชิดฐาต่อไพวันหาทางเลี่ยงเถอะพวกเราจะไปกันไม่ไหวมาเรียหันมาตะโกนบอกพานใหญ่ผู้เดินอยู่เบื้องหลังเมื่อเห็นดารินยกมือขึ้นปิดหน้าผากมีอาการเหมือนจะส่วนเซล้มลงอ้าปากหายใจเอาหลังพิงต้นแตง ต, ตายซากไว้ จอมผ่านเร่งฝีเท้าตามขึ้นมาโดยเร็วแล้วผ่านคณะนายจ้างเลยไปจนถึงบุญคำกับขยินผู้คงทำหน้าที่แบกของเดินตุปัดตุเปนนำหน้าพูดอะไรกันอยู่ครู่พร้อมกับหมุนตัวสังเกตทิศไปรอบๆขณะนั้นเชิาถา ก, กับพวกก็เดินเข้ามาถึงบุญคำนำรอยชี้บอกของไอ้ผีกองกอยมาเรื่อยมันตัดกลางทุ่งแฝกนี่ละครับเขาชี้มือบอก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 หลังจากการคำนวณอย่างรวดเร็วรพินก็ตัดสินใจเปลี่ยนทิศออกเดินทางทางด้านนี้ดีกว่าครับเลาะไปตามชายเขาเตี้ยๆที่เห็นอยู่โน่นอย่างน้อยที่สุดมันก็ยังค่อยยังชั่วกว่าที่จะบุกไปกลางทุ่งเอางั้นดีกว่าผมว่าไอ้กองกอยมันจะล่อเราให้ไปถูกย่างสุกสักกาลางนรกแฝกนั่นถ้าขืนกระรอกกระเร่ตามมันเข้าไป แทบทุกคนต้องดื่มน้ำดับความร้อนและความกระหายดารินถึงกับยอมเทน้ำจากกระติกออกมาชำรมหน้าและลำคอมารียฮอฟมันผู้มีจุดอ่อนอยู่ในเรื่องอากาศร้อนก็เริ่มจะทนไม่ไหวขึ้นมาอีกใบหน้าของหลอนแดงกล่ากระสับกระสายใบอันสาคายของแฝกทําให้คณะนายจ้างผู้ผิวยังไม่สู้จะเคยชินนักขันยิบไปทั้งหมดแม้ผ่านพื้นเมืองเอ ง, เองที่ว่าทรหดเยี่ยมยอดก็ยังน่าใหญ่ร้องอุทธรกันพึมพำสถานการณ์มันชักไม่เข้าท่าขึ้นทุกขณะ รัพยินเองก็เพิ่งจะมารู้สึกตัวว่าหลวมตัวปล่อยให้บุญคำนำดุยเข้ามาจนแทบจะหมุนตัวแก้ไขยอย่างไรไม่ได้ซะแล้วเองนำดีตาเท่าเสียงขยินผู้หากตามหลังบนอุกอิบข้ากำลังรอดูอยู่ว่าข้ากับเองใครจะสุกไปก่อนกันถ้าผ่านใหญ่ไม่เปลี่ยนทิศมึงหุบปากไอขยินบุญคำร้องตะวาดมาเบาๆร่างอันผอมเกรงของแกลากนาไอกระเลียงร่างยักษ์เปไปเบื้องหน้า ่ันใหญ่ให้กูแกะรอยไอ้กองกอยมาเมื่อคำสั่งยังไม่เปลี่ยนกูก็ไม่เปลี่ยนเส้นทางเหมือนกันตักไตใครจะสุกไปบ้างกูก็ไม่รับรู้เพราะกูเองก็แย่เหมือนมึงเหมือนกันเสอกบ่นมากเดี๋ยวกูถีบให้ แต่แกอย่าคุยเร่งแรงจะเดินทางก็ไม่มีอยู่แล้วยกตีนถีบค่าเมื่อไหร่ก็ชักตายเมื่อ น, นั้นอดีตนายบ้านหลงช้างพูดมาเบาๆแต่ผ่านเท้าแห่งเขาอึมครึมสะบดลั่นออกมาอย่างเดือดดาลวางหางลงจากบาหันกลับมายกตีนสองร่าจะเหยียบบอกขยินให้ได้พอดีผ่านใหญ่เดินเข้ามาถึงตัวใช้สายตาขม ข, ขื่นมองผ่านหน้าแวบแกก็เลยหยุดชะงักยกหาบขึ้นใส่บาแแบกต่อไปแต่ไม่ไวาอาคาดไว้ให้มึงหยุดมีเวลาพักซะก่อนหน่อยเถอะมึงไอขยินเสียงใคร หินหัวเราะฮิฮิยั่วโทสะแล้วก็เดินหาบหลังสุบสุบตามไปด้วยพระกําลังและความทาระเหถตามแด่ภูมิประเทศที่แวดล้อมอยู่ในระหว่างนี้ไม่จัดอยู่ในขั้นคับขันอันตรายเกินไปนักเพราะปราศจากซอกมุมกําบังสําหรับศัตรตูร้ายที่จะเข้าจู่โจมโดยง่ายเหมือนเช่นที่ผ่านมาแล้วการระมัดระวังเตรียมรับมือไว้กับไอการพยักจึงไม่จําเป็นมากนักกลายมาเป็นเตรียมระวังสู้กับอันตรายจากธรรมชาติรับ พระพินภัยวันกลับมาเป็นผู้นำอยู่เบื้องหน้าอีกครั้งในขณะที่เชิดาทำหน้าที่ปิดท้ายขบวนคณะทั้งหมดเดินจับกลุ่มกันมาในระยะใกล้ชิดกันเป็นหมู่คนต้นกับคนปลายแถวห่างกันไม่เกินสิบเมตรสามารถพูดกันเบาๆก็ได้ยิน จอมพานนำเลื่องหลบจากทุ่งแฝกอันกว้างใหญ่แลริบลิ้วไปสุดสายตาแทบจะหาขอบสิ้นสุดไม่ได้นั้นไปทางชายเขาด้านใต้ซึ่งเป็นทิวอันสลับซับซ้อนติดต่ อ, อกันไปยาวเหยียดเสมือนกำแพงกั้นขอบจั ก, กรวาลไม่มีสัญลักษณ์ของความสเยวสดของกิ่งไม้ใบหญ้าใดๆจะสังเกตเห็นได้เลยนอกจากสีน้ำตาลคล้ำของมูโขดหินชะงอนผาและสีเหลืองฟางของเถาวันตลอดจนพงไม้เตี้ยๆซึ่งในบางฤดูกาลอาจจะงอกเงยโฉอุ่มขึ้นได้บ้างจากฝนซึ่งคง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 อชั่วโมงเต็มเตมก็ยังไม่อาจาหาทางตัดลงจากไหลเขาลูกนั้นได้นอกจากจะลงมาพบกับทุ่งแฝกกว้างใหญ่ไพศาลที่ล้อมไว้โดยรอบตามเดิมและแล้วพอไต่เนินอันทอดราบต่ำลงมายัางบริเวณที่ราบตอนหนึ่งบนยอดของเขาลูกที่ระดับต่ำกว่าลงไปทุกคนก็พบกับความประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อแลเห็นปากถ้ำอันกว้างใหญ่ถ้ำหนึ่งเจาะทะลุเป็นช่องเข้าไปใต้ลูกเขายอดบนซึ่งปากถ้ำก็คือบริเวณพื้นที่ราบโลง่งราวกับมีใครมาแต่งไว้ มีบริเวณประมาณไร่เศษอันทุกคนลงมายืนอยู่ในขณะนี้นั่นเอง ผ่านใหญ่ผานําเดินหลบเงาแดดและเฉียดเข้าไปใกล้ปากถ้านั้นพลางตรวจตาตามพื้นที่อย่างถี่ถ้วนต่างหยุดพักร้อนกันเพียงแค่ดื่มน้ําแล้วตรวจตาไปรอบๆด้วยความฉงนระดับจากเพดานหินด้านบนลงมายัางพื้นปากถ้าเบื้องล่างในตอนที่สูงที่สุดประมาณ20เมตรแล้วค่อยๆสอบต่ำบีบแคบลงมาเมื่อลึกเข้าไปลักษณะของมันดูเหมือนอุโมงรถไฟมากกว่าถ้าเพราะความใหญ่โตวกว้างขวางแสงสว่างอันเจิดจ้าจากเบื้องนอกส่องให้เห็นเข้าไปลึกซึ่งเป็นเส้นตรงดิ่งยาวไม่ ต่ากว่า20เมตรแล้วต่อจากนั้นก็ค่อยๆมืดสนิทจนไม่สามารถเห็นเข้าไปได้อีกเพราะแสงรอดเข้าไปไม่ถึงปากถ้ำตอนต้นๆและที่บริเวณพื้นโลกเบื้องหน้ามีก้อนหินลูกย่อมๆเรียงรายอยู่เกะกะแช่ถากับชั ย, ยันก็ยืนพิจารณาดูมันอย่างพิเคาะในระหว่างที่จอมพานเดินตรวจลึกเข้าไปอีก ดาวเดนกับมาเรียนั่งพักขายอยู่ที่ก้อนหินเรียบปากทางอย่างอ่อนลาพวกลูกหาบก็ปรงหาบลงจากไหลชั่วขณะเมื่อต่างหลบเข้ามาอย่างใต้เพิงแห่งนี้ก็รู้สึกว่าอากาศอันอบอ้าวทรมานเบื้องนอกที่กร้มกันมานานโดยตลอดนั้นผ่อนบรรเทาลงบ้างเล็กน้อย เมื่อเห็นท่าว่าพันใหญ่จะตรวจลึกเข้ามากไปนายจ้างทั้งสองก็เคลื่อนออกจากที่สาวเท้าตามเข้าไปพร้อมกับร้องเรียกไว้รัพินหยุดรออยู่จกนกระทั่งเชิถาชัยยานันตามเข้ามาทันได้ร่องรอยอะไรกันมังชัยยานันถามแม้จะเป็นคำพูดเสียงเบาๆมันก็กังวานสะท้อนกล้องถ้ำกลางความเงียบสงัดรัพินแงหน้ามองดูตามเพดานและผนังทั้งสองด้านเป่าหรอกครับ เห็นมันลักษณะแปลกก็เลยทดลองเดินเข้ามาดูรู้สึกบ้างไหมครับยิ่งลึกจากข้างนอกเข้ามาเท่าไหร่ก็ดูเหมือนอากาศจะเริ่มเย็นลงเท่านั้นทั้งสองหันหน้าเข้าเผชิญกับด้านก้นถ้ำอันมืดสลัวแล้วสูดลมหายใจลึกเหมือนจะค้นหากิ่อไอแห่งความลี้ลับดามืดที่แฝงซ่อนอยู่ภายในแล้วก็รู้สึกได้ตามที่ระพินบอก มีลมเย็นโชยริ้วเจือจางออกมาเป็นระยะระยะคล้ายไอของเครื่องแอร์คอนดิชันและคนกับกลิ่นอับของตะไคร่น้ำขณะนั้นเองดารินกับมาเรียก็ตามเข้ามาหยุดยืนอยู่เบื้องหลังเงียบ พี่กลนอยู่เชษดาคลางหลวงซิปโป้ออกมาขีดเปลวไฟติดใ้ขึ้นแล้วยกชูสำรวจดูทิศทางลมเพื่อความแน่ใจทุกคนสังเกตเห็นได้ว่ามีกระแสลมเย็นอ่อนๆโฉยมาจากด้านก้นถ้ำพอพัดเปลวไฟออกไปทางด้านตรงข้ามแต่มันเจือจางที่สุด ลักษณะมันไม่น่าจะเป็นถ้ำเลยแต่ควรเป็นอุโมงค์ซะมากกว่าหนทางก็คงกว้างขวางและชอนทะลุเข้าไปไกลลิฟโดยที่เราก็คาดคะเนไม่ถูกว่าจะไปถึงไหนบ้างมีระยะถ่ายเทอากาศที่โปร่งด้วยลมที่พัดออกมาเป็นอากาศสดที่ผ่านความชุ่มชื้นผิดไปกว่าทุกถ้ำที่เราเคยพบหน้าแปลกที่ทําไมมันถึงมาอยู่ท่ามกลางความแห้งแรงรอบด้านและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเระผิดเม้มริมฝี ป, ปากเบาๆพยายามเงียบหูฟังท่ามกลางความเงียบสงัด ขนาดเข็มตกยังได้ยินนั้นเขาก็จับเสียงอะไรไม่ได้เลยมันเงียบอย่างน่าพิศวงผมคิดว่าลึกเข้าไปควรจะมีแหล่งน้ําแต่จะลึกสักขนาดไหนก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันมีสัญลักษณ์แห่งความชุ่มชื้นให้เราพบได้ที่นี่ทถ้ำกลางความแห้งแลง้งแต่มันก็ลี้ลับน่าคิดถ้าคุณคิดจะเดินเข้าไปหาน้ําในถ้านี้แล้วก็ขอท่วงไว้ก่อนชายยันโพ้งออกมาพร้อมกับหวัวเราะแป่งๆห่อไหลลงจ้องสายตาฝาเข้าไปยังก้นถ้าที่เห็นลึกกลืนหายเข้าไปในความมืดมิด เราไม่รู้ว่ามันลึกเข้าไปถึงไหนและมีอะไรอยู่ในนี้บ้างภายัยใดๆก็ตามที่มันจะมาถึงตัวเราขอให้มันโผล่ออกมาให้เห็นกันชัดๆกับสายตาดีกว่าที่จะเดินงมเข้าไปในปากมฤตยูซึ่งเรามองอะไรไม่เห็นเลยและที่สําคัญที่สุดไอ้ผีกองกอยหรือแง่ทายก็ไม่ได้นําทางให้เข้ามาในถาน้านี้ไม่ใช่หรือไม่มีครับมันไม่ได้ทําเครื่องหมายให้เราผ่านเข้าไปในนี้ผมเองก็ยังไม่คิดว่าจะเสี่ยงเข้าไปโดยไม่มีเหตุผลเพียงแต่ลองเรียบเคียงเข้ามาดูเท่านั้นเอง ฉันกล้าสาบานว่าถ้าหลังแตะพื้นที่นี่เมื่อไหร่ฉันจะหลับไปในทันทีอากาศมันดีกว่าไอทะเลทรายมหานรกข้างนอกนั้นสักร้อยเท่าเสียงมาเรียพื้นพำสุรอากาศอันเย็นรื่นที่เฉยแผ่วรวยเรียนออกมานั้นเข้าเต็มปอดด้วยความแช่มชื่นขึ้นลักษณะเช่นเดียวกับคนหนีร้อนมาพึ่งเย็นและหล่อนจะยินดีอย่างเต็มใจที่สุดถ้าหากการเดินทางมหาวิบาชของวันนี้มาสิ้นสุดหยุดยั้งกับที่ถ้ำนี้ซึ่งมันก็เป็นความคิดเช่นเดียวกับทุกคนยกเว้นแต่จะมีความจําเป็นเข้ามา ขวางกั้นอยู่เท่านั้นถ้าหลับไปในที่นี่ใครจะบอกได้ว่าคุณจะมีโอกาสตื่นขึ้นมาอีกรอเปล่าชายันว่าแล้วสะกิดแขนพานใหญ่ถอยเถอดระพินผมไม่ไว้ใจมันเลยพ่าเรามีทิศทางที่จะต้องไปอยู่แล้วอย่ามาโม้เสียเวลาสนใจกับไอ้อุโมงค์ท่าทางไม่ชอบมาผากล น, นี่อยู่เลยถ้ารอยของแงาซรายนำเราเข้ามาในนี้ก็เป็นเรื่องจาเป็นที่เลี่ยงไม่ได้แต่นี่คุณก็บอกอยู่เองแล้วว่ามันไม่ได้ผ่านเข้ามาบอกตามตรง ท่ามใต้น้ำตกตรงหุบหมาหอนที่เราตามโขงไอ้แหว่งเข้าไปผมยังไม่เสียวเท่าอุโมงค์มหัศจรรย์ที่เรามายืนกันอยู่นี่ไม่เพียงแต่ชา ย, ยันเท่านั้นที่จะรู้สึกเช่นนี้ทุกคนแม้กระทั่งรัพินเองก็ย่อมจะสำนึกได้เช่นกันด้วยลางสังหรจากสภาพอันลึกลับแฝงเล่ห์สน่ยตปลาดเท่าที่เห็น ทำไมคุณชายยันกลัวว่าจะเป็นถ้ำไดโนเสาร์หรือมังกรตาไฟเหรอครับผานใหญ่หันมาถามยิ้มยิ้มอย่างพยายามให้เกิดอารมณ์ขันอดีตนายทหารปืนใหญ่หัวเราะก่อยๆเปล่าผมกลัวว่ารถ ด, ด่วนสายกรุงเทพเชียงใหม่มันจะวิ่งสวนออกมาลักษณะดูดูเหมือนถ้ำขุนตาลไม่มีผิด ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่ารถต่วนขบวนนั้นของแกแทนที่จะวิ่งด้วยล้อมันคงจะวิ่งด้วยตีนนับร้อยๆ ย, ยคู่ของมันอย่างที่เราเจอกันมาแล้วเชิดถาเสริมมาเบาๆระหว่างที่ผ่านใหญ่ออกเลาะเรียบเดินสำรวจทีท้วนไปยังริมผนังถ้ำเหมือนติดอกติดใจอะไรบางอย่างนั้น หัวหน้าคณะก็แยกไปตรวจตามพื้นดูอีกด้านหนึ่งอึดใจต่อมาทุกคนก็เห็นจอมพานสุดตัวลงนั่งกับพื้นหลังก้อนหินเตียเต้ยๆลูกหนึ่งจุดไลเตอร์ขึ้นสองคล้ายจะสะดุดใจอะไรบางอย่างมีเสียงเขาพึมพำเหมือนจะพูดกับตัวเองเบาๆแล้วเอามีดโบวี้แซะพื้นเสียงดังกรอกๆชา ย, ยันร้องถามเข้าไปอย่างสงสัยรัฐพินยังไม่ตอบทันทีอึดใจต่อมาเขาก็กลับเข้ามายัางบุคคลทั้งสามโดยเร็วในมือถืออะไรชนิดหนึ่งมาด้วยส่งให้ชา ย, ยันลองช่วยกันดูสิครับนี่ มีอะไรชัยยันขมูดคิ้วหันหน้าเข้าหาแสงสว่างปากถ้าพิกลไปกลับมาในมือพิจารณาดูระหว่างนั้นเองหญิงสาวทั้งสองก็เข้ามามุงทันใดนั้นมาเรีย ก, ก็แย่งไปจับมือชัยยันอย่างร้อนรนเอามือทั้งสองถูกขยี้กับวัตถุนั้นยกสองขึ้นกับแสงสว่างและอุทานลั่นออกมาด้วยความตื่นเต้นขวานหินโอ้กอดมันคือขวานหินขวานหิน หมายความว่ายังไใงชายายันถามอย่างงงงงไม่รู้เรื่องแหมมสาวก็ระล่มระล่ำออกมาด้วยคาพูดอันเร็วปือว่าก็ขวานที่ทําด้วยหินนะสิเครื่องมือสําหรับตัดเฉือนและเป็นอาวุธเช่นเดียวกับมีดหรือขวานโลหะในยุคปัจจุบันนี่แต่มาทําด้วยหินก็เพราะมันเป็นเครื่องมือของมนุษย์ึกดําบันยุคแพรีโอลิิหรือสมัยต้นประวัติศาสตร์นั่นเองแพรีโอลิติก ดารินร้องเสียงสูงลืมตาโตสีหน้าอาการของมาเรียฮอฟมันยังเต็มไปด้วยความตื่นเต้นอยู่เช่นนั้นแทบจะลืมภาระเฉพาะหน้าในขณะนี้โดยสิ้นเชิงหันขวับไปทางจอมพานถามโดยเร็วว่าภัยวันนี่เป็นหลักฐานสำคัญที่สุดของมนุษยชาติจึงมีคุณค่าทางโบราณคดีอย่างยิ่งคุณได้มันมาจากตรงไหน ผานใหญ่ป้ายหัวแม่มือข้ามไหล่ไปเบื้องหลังริมผนงังถ้ำหลังก้อนหินนั่นแหละสงสัยว่าอะไรมันโผล่ยื่นออกมาสะดุดเท้าก็เลยสองไฟแล้วขุดมันขึ้นมามันจมอยู่ในกองขี้ครั้งขาวเห็นลักษณะแปลกก็เลยเอามาให้ดูสวัสด์ทรงปโปรดเถอะนี่เรามาพบแหล่งหรือถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ยุคต้นประวัติศาสตร์เข้าแล้วจากหลักฐานที่ฉันเห็นนี่ยังไม่คิดว่ามันจะมีอยู่อันเดียวหรอกถ้าเรามีเวลาและช่วยกันขุดค้นเราคงจะได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกมากทีเดียวอย่างน้อยที่สุด ก็พวกเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคนั้นแล้วก็โครงกระดูกแมมสาวกระหืกกระหョพูดเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นตาสีเขียวทั้งคู่เป็นปกายยินดีระหว่างที่เราขินกับดารินยังยืนนิ่งอยู่นั้นชายยันก็ขอเอาไปพิจารณาดูอีกครั้งอย่างทึ่งๆวัตถุนั้นเป็นชิ้นหินแก่งสีดำสนิทแผ่นสี่เหลี่ยมขนาดเท่าฝ่ามือลักษณะของมันเป็นสี่เหลี่ยมสอรที่ปลายด้านกว้างมีขนาดประมาณสีนิ้ว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 อย่างเหมาะสม คุณรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นขวาญหินที่มนุษย์ยุคต้นประวัติศาสตร์ใช้มีอะไรเป็นข้อสันนิษฐานเล่าชา ย, ยันทำตำม่ำข ย, ยี้จมูกอย่างกังขาพ่อฉันนอกจากจะเป็นพานแล้วแกยังเป็นนักค้นคว้าทางโบราณวัตถุและที่ชำนาญมากที่สุดก็คือการดูหินแกพยายามสอนฉันมาตั้งแต่เล็กๆทีเดียวซึ่งฉันเองก็ไม่เอาหลังไหลนักปรกในเรื่องนี้เพียงแต่จําเจยอยู่กับงานค้นคว้าของแกมาตั้งแต่เล็กจนโตมันก็เลยเข้าหัวฉันเคยศึกษาในเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคหินเคยเห็นมาก่อนแล้ว ที่พ่อคนพบและในพิพิธภัณฑ์สมาคมค้นคว้าวัตถุโบราณหลายต่อหลายแห่งในโลกนี้ฉันพอจะดูออกและกล้าท้าพนันได้ว่าถ้าคาดเคลื่อนไปขวาหินที่ภัยวันพบอันนี้ไม่ใช่อันแรกที่ฉันเคยเห็นนักประจนภัยชาวกรุงผู้มีอดีตเป็นนายทหารผิวปากหวือมองไปทางเพื่อนสาวเหมือนจะขอความเห็น น้อยมีความเห็นยังไงเธอเป็นนักมนุษยวิทยาอยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดนอกจากสืบชาติพงของมนุษย์แล้วเธอก็น่าจะต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับขนบรรมรำเนียมประเพณีวิวัฒนาการและเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ในยุคนั้นๆมาบ้างไม่ใช่หรอหมอดาวรินทำหน้ายุ่งซอยเปิดตาถีบไปยังเห็นในมือของชายยานันชิ้นนั้นอย่างน่าสนใจแต่แล้วก็สายสีรษะช้าๆสารพัดฉันไม่กล้าที่จะมองทะลุเข้าไปถึงยุค p เลโ o tolic หรอก เพราะมันเป็นการยกเม่เกินไปสําหรับชั้นเท่าที่รู้มาหรือจะพูดให้ตรงก็คือยังศึกษาไปไม่ถึงแต่เม่อาจจะรู้ดีก็ได้เพราะเขาเป็นเชอริสทางนี้แล้วแล้วหล่อนก็หันไปทางเพื่อนสาวต่างผิวซึ่งยังยืนกรานอยู่ด้วยความมั่นใจบอกได้ไหมว่าเนื้อหินจากใบขวานที่เธอว่าอันนี้มีอายุประมาณสักเท่าไหร่ไม่ต่ํากว่า4หรือห้าหมื่นปีมาเรียตอบโดยไม่มีอาการลังเลหรือขบคิดให้เสียเวลาน้ําเสียงของอดีตภรรยาแม่ของดร์ฮอกมันหนักแน่นจริงจั ง, จงยิ่ง แล้วคุณว่ามันเป็นอะไรในพรานดารินธามพานใหญ่เบาๆรวพินภัยวันยักไหล